บัดนี้ตลอดทั้งบริเวณแคมป์สว่างสวัยอบอุ่นตามเดิมแล้วกองไฟทุ ก, กองถูกสุมจนลุกโชดไปหมดพอมาถึงทั้งสี่คนก็ซุดตัวลงนั่งพร้อมกันหนานอินอนุชาตะโกนสั่งขยินให้ตอนพวกลูกหาทั้งหมดซึ่งก่อไฟเสร็จเรียบร้อยทุกมุมแล้วให้เข้ามานั่งล้อมวงประชุมกันทั้งหมดก่อนอื่นนับจานวนคนอีกครั้ง พอเห็นว่าครบถ้วนแน่นอนไม่มีใครขาดหายไปไม่มีใครบาดเจ็บมากมายอะไรนอกจากถลอกบอกเปิกเพราะวิ่งกันล้มลุกคลุกคลานระหว่างที่ชุลมุนประจันบาลกับกองทัพช้างผีสิงอนุชาและทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็โล่ง อ, อกเฮชคดีจริงๆโชคดีที่ไม่มีพวกเราคนใดถึงกับชีวิตเลยอีตอนนั้นมันเกิดจะเป็นตัวใครตัวมันอยู่แล้วเชียวเน่ก็ไม่ใครก็ใคร คงจะแบนไม่บ้างแล้วโดยเฉพาะพวกลูกหากอดีตพรานชดเอ่ยขึ้นพร้อมกับเป่าลมออกจากปากขณะนั้นทุกคนนั่งล้อมวงกันอยู่ทั้ง16คนชายันนั้นยังไม่พูดอะไรก่อนทั้งสิ้นพอมาถึงก็รื้อหีพอยุทธพันธ์ขึ้นมางัด M16 แบบคอมมันโดออกมาทั้ง4กระบอกเสียบแมกซีน30นัดเตรียมไว้ทันทีอย่างไม่ประมาทต่อสถานการณ์ อาวุธสงครามที่เตรียมมาด้วยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องงัดขึ้นมาใช้ในระหว่างเส้นทางเดินเพียงแต่เผื่อไว้สำหรับในกรณีจำเป็นที่จะต้องปะทะกับฝ่ายสายลับอเมริกันซึ่งอาจทำความเข้าใจกันไม่ได้ขณะที่ติดตามพบแล้วเท่านั้นแล้วก็มีอาการลังเลสงจิตสงใจว่าจะงัดเอาเอ็ม79ขึ้นมาเตรียมพร้อมไวอีกดีหรือไม่แต่เชฐารู้ทันสะกิดไหลไว อย่าเพิ่งก่อยเลยเชยันเครื่องยิงระเบิดเอนะ็เจ็น่ะมันจะมีอันตรายกับพวกเรากันเองซะมากกว่าถ้ายิงออกมาโดยไม่ดูตำมาตาเรือแค่ระเบิดกว้างที่กะวิ่งออกไปสองลูกก็มีอำนาจพอที่จะทําให้มันตกใจผลักหนีไปได้ลนะเชื่อว่าคืนนี้คงไม่ย้อนกลับมาอีกหรอกแล้วก็ขอชมนะว่าไหวพลิปดีมากที่ใช้พลุกระระเบิดเมื่อตะกี้นี้ช่วยมันตกใจเปิดหนีไปได้ไม่งั้นเราคงแย่กันทั้งหมด มันเริ่มบุกตะลุมบอลแบบไม่กลัวตายแบบนี้นายทหารปืนใหญ่นอกราชการสะบดดาพ่อล่อแม่พึ่งไปหมดแล้วบอกกับพักพวกทุกคนว่าเฮ้ย hey, ต่อไปนี้นะ่ะไว้ใจไม่ได้แล้วเนอะลำพังปืนล่าสัตว์ต้านมันไม่ไหวกว่าจะยิงได้ทีละนัดช้าไม่ทันกินเกือบตายกันทั้งหมดอะคราวนี้ถ้าเจอแบบนี้อีกพอัดด้วยเอ็เลยลูกเล็กไม่เป็นไร แต่มันสามสิบนัดฟัวโต้ดูดิว่ามันจะดาหน้าเข้ามาได้อีกไหมนี่บุญเท่าไหร่แล้วที่ชัยภูมิเรานั่นเหนือกว่าเพราะอยู่ในกลุ่มล้อมของป่าหินมันเข้ามาไม่สะดวกถ้าเป็นพื้นที่ราบโล่งรับรองตายเกลี้ยงไม่มีเหลือสำหรับเหตุการณ์เมื่อกี้นี้อ่ะแจกแล้วนะเนี่ยของใครก็เอาปจําตัวไว้ถ้ายังไม่ใช้จะฝากพวกลูกหาไม่สบายไว้ก่อนก็ได้ ขืนมัวแต่ยัดอยู่ในหีบถูกกระเทือ่แบนไม่รู้ด้วยว่าแล้วชายันก็ส่งปืนยิงเร็วของพลร่มกระสุน 5.56 มมที่เตรียมมาพร้อมด้วยเหล่านั้นไปให้เชฐาอนุชาและดารินคนละกระบกต่างรับมาวางไว้ข้างๆตัวโดยยังไม่สนใจอะไรนักเพราะรู้แน่ว่าถึงยังไงคืนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสต้องใช้แน่นอนเชฐาดูนาฬิกา ขณะนั้นสีนาฬิกาสินาทีเข้าไปละใกล้สว่างเต็มทีอากาศหนาวแสนหนาวแต่ความรู้สึกภายในของแต่ละคนร้อนรุ่มแวบบหนึ่งที่ลงนั่งพักสุบรีต่างระลึกย้อนไปถึงคราวทําสงครามกับโลงของไอแหวงอันเป็นช่างร้ายบ้าเลือดลักษณะเกือบจะละไมาคล้ายคลึงกันแต่ในครั้งไอแหว่งนะ่มันก็ยังไม่ดูเดือดร้ายกาดเท่ากับครั้งนี้ ดารินั้นนั่งมือกุมพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ของระพินที่กลัดอยู่ในไท้ติดกระขอ บ, บราเซียของหล่อนแน่นกระนักแน่อยู่ในใจเพียงคนเดียวว่าคืนนี้ทำาไม่ใช่เพราะอํานาจพระพุทธคุณอราหันต์เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองไว้หล่อนคงถึงหายนะวิบัติแน่แท้ไม่แบบใดก็แบบหนึ่งคงไม่รอดมาได้อย่างบุบบีเรากำมีปฏิหารเช่นนี้หรอกน้อย เธอกะนันอินดูเหมือนจะมีอะไรบอกให้พวกเรารู้มากทีเดียวนะแต่ก็ต้องชะ ง, งักลงซะ ก, ก่อนเพราะมัวทำศึกใหญ่อยู่ตอนนี้พอจะรวบรวมส ต, ติได้ยังแล้วก็อธิบายสิว่าอะไรมันเป็นอะไรเชษฐาพูดขึ้นอย่างต้องการสืบสาวราวเรื่องเพราะทั้งเขาอนุชาและชัยยันรวมทั้งขยินกระลูกหากทั้งหลายพอตื่นขึ้นมาก็พบกับความวุ่นวายจากต้นชนปลายไม่ถูก ราชสกุลสาวน้องเล็กของคณะเม้มริมฝีปากแน่นพยายามลําดับภาพเพราะหล่อนเองก็ ง, งงงอยู่เหมือนกันเนื่องจากเหตุการณ์ต่อนเนื่องสับสนอยู่เป็นช่วงระยะหลายตอนอะไรก่อนและอะไรหลังหล่อนพยายามคิดสิ่งที่เกิดขึ้นยกหยกนี้เป็นเหตุการณ์จ้าละวันชุลมุนจริงๆสมองของหล่อนปั่นป่วนไปหมดติดจําได้แน่แนเพราะเพิ่งจะผ่านมายกหยก ครั้งล่าสุดก็คือตอนที่ตนเองถูกใหหยิงชนให้ล้มกลิ้งลงไปนอนอยู่ตรงซอกโคหินเองนและต่อจากนั้นก็เห็นช้างใหญ่ตัวที่ปรีม้วนงวงเข้ามาหมายแทงหลอนถล่มล้มคลืน่นร่างกายของมันติดบงังทับหลอนไว้โลกในซีกส่วนนั้นมืดไปหมดแล้วหายใจไม่สะดวกตลอดจนไม่ได้ยินสรรพสำเนียงใดๆเลยเหมือนกับว่าตนเองได้ตายไปแล้วฉะนั้น จนกระทั่งซากที่บางทับอยู่เริ่มจะขยับเลื่อนออกมีลมโชยเข้ามาให้หายใจคล่องขึ้นบ้างแล้วแวววเสียงพักพวกตะโกนเรียกชื่อเท่านั้นจึงรู้ว่าตัวเองยังพอมีชีวิตรอดอยู่ดารินมองออกไปยังเจ้าด้วนช้างป่าคู่บารามีเห็นมันยืนหมุนคว้างหันรีหันขวางและชูงวงขึ้นสูง คล้ๆจะสำเนีกรหัสอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปแต่มันก็ยังไม่ทำเสียงอะไรขึ้นหล่อนตะองโกลเรียกทันทีด้วนด้วนมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเหรอเจ้าด้วนไม่ให้เสียงตอบใดๆทั้งสิ้นคงชูงวงใายร่อนและเป่าลมฝึดฝัดฝึดฝัดหูกลางผึ่ง ทุกคนหันกลับไปมองตามหล่อนทันทีฉับพันนั้นก่อนที่ใครจะพูดคำใดออกมาทันชดหรืออนุชาผู้ตาวัยที่สุดก็ละล่ำละลักชี้มือร้องมาแต่ฟังไม่เป็นภาษานอกจากสำเนียงอุทานทีทีทว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้ยซากไอ้ผีดิบตัวที่เชิดท้ายยิงคอหักพับแล้วยิงตัดที่ข้อเท้าล้มเป็นไม้ท่อนซึ่งได้ช่วยกันจัดมันพลิกงายขึ้นปล่อยทิ้งไว้ให้นอนอยู่ตรงริมด้านซ้าย ใกล้ๆโคทินบัดนี้ท่าตาไม่ฝาดทุกคนเห็นมันพลิกความหน้าลงแล้วจะความตอนไหนก็ไม่มีใครทราบแล้วก็มีอาการคลานสีตีนเคลื่อนไหวช้าๆทำท่จาจะเคลื่อนหนีหลบออกจากบริเวณนั้นไปอนุชาเชฐาคว้าไรเฟิลขึ้นมาอีกครั้งด้วยสัญชาตญานแต่ดารินตะโกนก้องอย่ายิงไม่มีประโยชน์หรอก ้างหล่อนก็ร้องสั่งแหลมไปทางเจ้าด้วนทันทีว่าด้วนไอผีนรกนั่นกำลังจะหนีมันมีวิญญาณเข้าสิงอีกแล้วเร็วหยุดมันไวเดี๋ยวนี้หยุดมันไวด้วนเสียงแวดสั้นๆแต่ก็หึมดังมาจากช้างป่าตัวที่เป็นมิตรกับคณะมนุษย์นั้นแล้วเรากลับเป็นประกาศสิทธสั่งจากราชินีเจ้าชีวิตของมัน เจ้าด้วนพุ่งเข้าใส่ซากวิกลวิการอันกำลังมีปฏิกิริยาที่น่าขนลุกนั้นทันทีเพียงแค่ส4มสี่เก้าของมันก็ถึงตัวใช้เท้าหน้าข้างหนึ่งเหยียบลงไปกลางแผ่นหลังสภาพที่กำลังคลานลากตัวอยู่ก็หวบราบคว่มหน้าลงไปติดดินสนิทนิ่งไปตามเดิมโดยมีบาทาก็จสาใหญ่เหยียบไวทั้ง16คนถลันยืนพึกขึ้นพร้อมกันหมดราวกันนะัก ปืนผาหน้าไม้เวียงกันพืบภัพจับจ้องไปทางนั้นรวนเรจ้าละวันกันอีกครั้งทุกคนหยุดกันรอยเป็นหน้าที่ของน้อยเชษฐาตะโกนสั่งเกรงจะมีใครยิงโครงครามออกไปเพราะความตกใจและอาจจะไปถูกเจ้าด้วนที่ยืนเหยียบซากนั้นอยู่ดารินกระโดดออกไปนอกกลุ่มร้องสั่งต่อไปด้วนเอามันเข้ามาตรงนี้ ยิ่วมันเข้ามาย้ายมันคลานหนีไปได้ยิ่วมันเข้าาด้วนหลอนสั่งความซ้ำซ้ำอยู่สองสามครั้งเจ้าด้วนใช้งวงจับซากแข็งถือนั้นจับท่อนสุงเหมือนจับท่อนสุงเล็กๆ เ, เดินเข้ามาตรงกลางบริเวณตรงที่ดารินยืนโบกมือเรียกทันทีพอมาถึงก็วางซากนั้นลงคราวนี้ทุกคนก็พลูเข้าไปมุงล้อมดูอีก มันลุกขึ้นมาคลานได้ยังไงกันนี่แล้วมันจะไปไหนชัยันอุทานขึ้นเพราะสภาพเท่าที่ทั้งหมดล้อมดูอยู่ขณะ น, นี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าซากโบราณปราศจากชีวิตจิตใจใดๆทั้งสิ้นมันหลอกล้อนเราเหมือนพวกปีศาจหรืออสุรกายอไร น, นันอินบอกเกรียมๆในลำคอจ้องตาขมิงไปยังซากนั้น หรือไม่ก็อาศัยตอนเราเผลอวิญญาณร้ายเข้าสิงพยายามจะเอาซานกนี่หลบหนีไปเพราะมันไม่ต้องการทิ้งไว้ให้เราเห็นกันได้งานไม่ต้องการให้เหลือพยานหลักฐานเหมือนเหมือนกับว่าเราจับมันได้ถ้ากระดูกข้อตานมันไม่แตกพระนายใหญ่ยิงไว้มันก็คงลุกขึ้นเดินไปได้เร็วกว่านี้แต่นี่กระดูกแตกทรงตัวไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีคลานไป งั้นเอาไงดีลุงอินพอมีวิธีทำให้มันอยู่นิ่งกะที่โดยไม่มีอำนาจผีเข้ามาสิงมันอีกได้ไหมครูพรานพูดเท่างินไปอาการของแกลังเลไม่แน่ใจนะนานอินไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมและถึงเราจะเอาซากมันไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทางที่ดีที่สุด ถ้าเราคิดว่าเผลอผลอก่อนสว่างคืนนี้มันจะกระดุกกระดิกหนีเราหรือแอบเข้ามาบีบคอใครเข้าก็ทำลายซากของมันเสียดีกว่าหรือพวกเจ้านายคิดยังไงจะเก็บมันไว้ทำไมอีกละ่ะเทชทฐาชัยยันอนุชาและดารินมองหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วอนุชาก็ถามว่าว่าไงดีครับพี่ใหญ่ ลุงยินแกก็มีเหตุผลของแกเหมือนกันนะเอา้าทำลายซากมันซะเลยอย่าให้มันไร้ท่งกระแสจิตหรือมนกาลีเข้ามาบังคับใช้งานใดๆได้อีกว่าแต่เราจะทำไงเผาเหรอเสียเวลาครับพี่ใหญ่เราจะต้องใช้ฟืนแล้วก็ใช้เวลาหมดเปลืองสักขนาดไหนถึงจะเผาเองง่าไม้หมื่นปีสังยังอาบยาเอาไว้จนเหนียวแน่นเหมือนอยางรถแทรกเตอร์นี่ ให้มันไหม้เป็นเท่าไปได้นอกแยกมันเป็นชิ้นส่วนโดยไม่ให้มันนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกดีกว่าพลังอำนาจในด้านนี้ของเราก็มีอยู่แล้วนี่ด้วยจัดการทำลายซากของมันซะรกระชากไอ้ขาดเป็นชิ้นๆเลยดารินสั่งเสียงเฉียบขาดสิ้นเสียงคำสั่งท่าามสายตาที่มองล้อมดูอยู่ทุกคนในแคมป์ช้างใหญ่ใช้เท้าหน้าข้างหนึ่ง วางเหยียบไว้บนหลังของซากนั้นสิ่งแรกที่มันทำก็คือใช้งวงจับคล้องที่ศีรษะบริเวณลำคอฉีกดึงรั้งขึ้นอย่างง่ายงาแม้ว่าจะเป็นซากอันแลดูว่ากแกร่งและเหนียวแน่นซักเพียงใดก็ตามแต่เมื่อเทียบกับทลังช้างสารมันก็ย่อมเปรียบไม่ผิดอะไรกับปลาหมึกย่างชิ้นเล็กๆที่มนุษย์ใช้มือฉีกปรากฏเสียงดังปุ๊ดเดียวหัวนั้นก็ขาดหลุดจากไา เจ้าด้วนมีอาการเหมือนจะคว้างไกลออกไปเหมือนคว้างก้อนหินหรือลูกมะพร้าวแต่ดารินร้อยรีบร้องสั่งให้มันวางตรงนั้นโดยไม่ต้องการให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นกระจัดกระจายหายไปไหนฉีกมันออกด้วยทํำลายเป็นชิ้นๆแต่อย่าคว้างมันหายไปไหนฉีกกระเทียงไว้ตรงนี้แหละหลอนพูดกับมันเหมือนพูดกับคนที่ฟังภาษากันเข้าใจ แนวาการของมันก็แสดงว่าเข้าใจได้เหมือนกันแม้อาจจะต้องใช้ประโยคซ้ำๆอยู่หลายครั้งหรือบางขณะต้องแสดงกิริยามือไม้ประกอบบ้างก็ตามและวิธีทำลายศัตรูหรือลูกเล่นต่างๆในการสังหารเหยื่อของช้างที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นชัดมาก่อนก็พลันปรากฏขึ้นกระสายตาเป็นที่เปิดเผยออกมาว่าช้างน่ะมีสารพัดวิธี ที่จะทำให้คนตายได้อย่างน่าสยดสยองผิดไปกว่าสัตว์ป่าชนิดใดทั้งสิ้นเพราะพลังอันมากมายประกอบกับความฉลาดของมันแต่ซาตที่มันกําลังกระทาอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคนในขณะนี้หาใช่มนุษย์ไม่เป็นแต่รูปร่างเหมือนมนุษย์เท่านั้นไม่มีเลือดเนื้อและวิญญาณทุกคนจึงดูกันได้อย่างไม่มีอาการหวาดเสียวใดๆทั้งสิ้น เจ้าดวงใช้งวงกระตุกแขนทั้งสองข้างขาดหลุดออกไปง่ายๆอีกเหมือนดึงตุ๊กตาโยนไปกองรวมกระศีรษะที่มันวางไว้กับพื้นใกล้ๆจากนั้นก็ปกักปลายงาแหลมข้างนึงลงไปตลางหลังแล้วงัดเฉยขึ้นเบาๆลำตัวนั้นก็ฉีกขาดควักออกทันทีแต่ยังติดหนังส่วนหนึ่งทางด้านขวางเห็นกระดูกสี่โครงขาวมัวๆปักปนอยู่กับขุยสีดำภายใน มองดูเหมือนถุงท่านปนที่อัดแน่นไว้ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆหลงเหลืออยู่ให้เห็นเลยว่าเป็นอวัยวะภายในของมนุษย์นอกจากโครงร่างด้านนอกและกระดูกเท่านั้นมันอาตีนคลึงคลึงนาแทงสืยเล่นเล่นและใช้งวงดึงถึงนนดึงนี่อยู่อึดใจเดียวเท่านั้นซากของไอ้ผีดิบที่คำนวณอายุไม่ได้ซากนั้นก็แยกออกเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยปนปี้ไปหมด แม้แต่กระโหลกที่เป็นลูกอยู่ก็ยังถูกเขียอยกมาเหยียบเล่นแตกแบนแติดอยู่กับพื้นหินถ้าเป็นช้างของฝ่ายมันบ้างแล้วเราตกอยู่ในภาวะเสียท่าอย่างนี้เราก็คงถีบฉุกบดแบบนี้นะชัยันครางออกมาอย่างสยองใจเมื่อเห็นวิธีการของเจ้าด้วนแล้วหวนคิดเปรียบเทียบนายน้านอินเคยเห็นกระตา ช้างเลี้ยงแท้ๆเวลาตกมันลืมตัวมันเอางวงจับคนเลี้ยงมันเองยัดหัวกระหม่อมใส่ปากแล้วกัดแตกเหมือนขบลูกมะพร้าวใครอย่นึกนะว่าช้างน่ะมันกัดไม่เป็นบางทีมันก็กัดเหมือนกันมันไตได้ทั้งข้างหน้าดีดได้ทั้งลูกหลังกระทึบจับฉีกฟาแทงด้วยงา ยับโยนใน้อยสูงแล้วองงาเสรยรับหรือหม่ก็เตะเหมือนเราเตะลูกตะกร้อนอกจากคนด้วยกันแล้วก็มีไอ้ช้างนี่แหละที่มีวิธีฆ่าได้พิเรนส์สัพดลที่สุดเสือหมีอย่างเก่งก็แค่กัดตบวัวควายแรกก็แค่ชนขวิดส่วนไอ้จมูกยาวเนี่ยมันเล่นของมันได้สนุกหลายอย่างชนใน ครูพรานผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นเบาๆเอาๆพอแล้วพอแล้วด้วนกองมันรวมรวมไว้ตรงนี้แหละอยากจะดูเหมือนกันพ่าแล้วมันจะต่อตัวเองเข้ามาแล้วลุกขึ้นหรือคลานหนีไปได้อีกหรือเปล่าดารินสั่งกับเจ้าด้วนของหล่อนมันไม่สนใจกับคําสั่งประโยคหลังสุดของหล่อนนักคงเล่นง่วนอยู่กับชิ้นส่วนของซากโบราณ น, นั่นเขี่ยกริ้งอยู่ไปมาเชษฐาบอกกับทุกคนว่า เอาละเลิกกังวลได้แล้วสาหรับไอ้ซากเวนนี่เชื่อว่ามันคงจะไม่สำแดงฤทธิดเดชอะไรขึ้นมาอีก อ, ะอ่ะงั้นเราก็กลับไปปรึกษากันต่อดีกว่าไปทั้งหมดพากันละจากซากที่กลายเป็นชิ้นส่วนกลิ้งอยู่กลางบริเวณนั้นกลับเข้าไปนั่งประชุมกันตามเดิมดารินเป็นคนหลังสุดที่เดินตามเข้าไปหล่อนใช้ไฟฉายส่องดูสายเชือกที่คล้องคอเจ้าด้วนอันมีเครื่องรางศักดิ์สิทธ ซึ่งหล่อนเป็นผู้อัญเชิญให้ติกอยู่กับตัวเพื่อพิทักษ์คุ้มครองแน่ใจว่ายังอยู่กับมันอย่างมั่นคงโดยไม่หลุดหายไปไหนจึงกลับเข้าไปยังพักพวกทุกคนที่รอคอยหล่อนอยู่ก่อนแล้วคณะพักทั้งหมดรวมทั้งลูกหาบไม่มีใครแสดงอาการง่วงเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนตาสว่างประสาทตื่นพร้อมอะระหว่างน้อยกันหนานอิน ใครตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ผิดปกติในแคมนี่ก่อนกันพี่ใหญ่ของคณะเริ่มต้นสอบความที่ถามค้างกันไว้ทันทีเพื่อประมวลเหตุการณ์ดารินหันไปมองหน้านานอินเหมือนจะยังความรู้สึกเพราะหล่อนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครูพรานผู้เฒ่ายิ้มแค่นๆต่าว่าให้นายหญิงเล่าก่อนดีกว่าพะถึงยังไงนานอินก็ลุกขึ้นมาทีหลังนายหญิงแน่ ทงนั้นก็เอาทางด้านน้อยก่อนแล้วกันเชิถาพยักหน้าบอกสังหรณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้น้อยหลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะราชสกุลสาวเริ่มต้นทบทวนเหตุการณ์ขณะที่ทุกคนจับมองมาที่หลอนอย่างตั้งใจเป็นตาเดียว น้อยมากตื่นรู้สึกตัวขึ้นอย่างแน่ชัดเอาตอนหนึง่งตอนนั้นมองออกไปที่บริเวณปางพักของเรารู้สึกมันเงียบเชียบไปหมดที่สําคัญก็คือตอนนั้นไฟทุกกองมันรีมอดเกือบดับมันผิดคําสั่งไปจากที่บอกกันไว้เมื่อตอนหัวค่ำแล้วว่าเวียามคืนนี้จะเผลอหลับไม่ได้เลยและจะต้องสูมไฟให้สว่างตลอดเวลานั่นคือจุดสะดุดใจครั้งแรก ต่อมาน้อยก็พยายามสะกิดปลุกพี่กลางและก็พี่ใหญ่ที่นอนขนาบข้างๆสะกิดเท่าไรทั้งสองคนก็ไม่ยอมตื่นเลยฮ่าพี่ชายทั้งสองร้องออกมาอย่างประหลาดใจพร้อมๆกันค่ะเป็นความจริงค่ะปลุกไม่ยอมตื่นเหมือนกับคนขี่เศร้าผิดปกติหรือมิฉะนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจสะกดของอะไรสักอย่างหนึง่งทั้งๆที่ก็เห็นสภาพการหายใจเป็นป ก็ออกไปดูชายันก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันก็แปลว่าตอนนั้นพวกเราทั้งสี่คนที่นอนอยู่ภายใต้เพิงเดียวกันสามคนหลับไม่รู้ตัวหลุกก็ไม่ตื่นมีน้อยตื่นรู้ตัวขึ้นมาคนเดียวเท่านั้นแหละหู<ฮ>้ตายฮะนี่แต่น้อยไม่บอกเรื่องนี้พวกเรายังไม่รู้เลยนะว่าตอนนั้นหลักมันเป็นตายชายันจุปากเบาๆแล้วกระชั้นคาถามใหม่กว่า แล้วต่อไปยังไงอะดารินเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดในสิ่งที่หลอนตื่นขึ้นมาประสบพบเห็นเหตุหการณ์อยู่ตามลำพังนคนเดียวนับตั้งแต่คว้าไฟฉายและไรเฟิลประจมือลุกขึ้นมาออกตรวจบริเวณแคมป์โดยพบว่านอกจากกองไฟที่ก่อไว้ทุกกองแทบจะมอดดับเหลือแต่ไฟแดงๆปรากฏว่าพวกลูกหาบที่นอนกันอยู่เป็นกลุ่มๆรวมทั้งพวกที่เข้าเวรยามนั่นก็หลับไหลกันไปหมด และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแทนที่จะเห็นคนของหล่อนคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่เวียนยามกลับกลายเป็นเห็นร่างวิกลวิการของไอ้ผีดิบสองตัวนั่งอยู่แทนที่ทําท่าเหมือนกับว่าจะเข้ามาเป็นส่วนประกอบของคณะพักด้วยเช่นนั้นแหละแต่ด้วยความที่เชื่อมั่นในอํานาจพระพุทธคุณที่คุ้มตัวอยู่และด้วยสติที่พยายามควบคุมให้มั่นคงที่สุดหล่อนได้เข้าไปดูมันจนใกล้ พยายามจะพูจาปราศัยกับมันพยายามจะทักทายสอบถามความประสงค์แต่มันก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรทั้งสิ้นตรงข้ามเมื่อหล่อนเดินเข้าไปใกล้มันก็กระโถดถอยหนีไม่ยอมที่จะให้หล่อนเข้าไปถึงตัวได้แต่ก็ยังไม่ผ่านหนีไปไหนไกลเดินวนเวียนป้วนเปนอยู่บริเวณแคมป์นั่นแหละแล้วทำไมน้อยไม่ยิงหรือส่งเสียงแอะอะขึ้นในตอนนั้นละ่ะอนุชาถามขึ้นโดยเร็ว เหตุการณ์ที่น้องสาวเล่าทำให้ทุกคนงุนงงไปหมดนั้นอินทำหน้าที่แปละขะยินฟังโดยชนิดคำต่อคำระหว่างที่นายหญิงเล่าเหตุการณ์ให้ทั้งหมดฟังเนื่องจากในคณะมีเจ้านักเลงโตลุ่มช่างเพียงคนเดียวที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องขยินอ้าปากหวัวกลอกตาอยู่ไปมามอมราชวงหญิงดารินยักไหลเมื่อได้ยินคาถามของพี่ชายกลาง พี่กลางคะแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะที่น้อยจะโวยวายกระตกกระตากอะไรขึ้นในขณะนั้นหลอนพูดเสียงต่ำๆแต่มไปอได้กาลังใจดีเยี่ยมน้อยไม่รู้สึกหวั่นหวาดอะไรทั้งนั้นแหละและสำเนียกรู้ชัดได้ทันทีว่าพวกเราทั้งหมดตกอยู่ภายใต้อำนาจสะกดของพวกมันหมดแล้วคงมีแต่น้อยคนเดียวเท่านั้นที่มันยังสะกดไว้ไม่ได้ ในขณะนั้นแสดงให้เห็นว่ามันได้เข้ามายึดครองแคมป์ของพวกเราไว้หมดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทําอันตรายใดๆพวกเราเลยสําหรับไอ้สองตัวที่น้อยตื่นขึ้ น, นมาเห็นมันนั่งในบริเวณแคมป์ก็คือสองตัวที่พวกพี่ใหญ่ช่วยกันระดมยิงภายหลังจากตกใจตื่นขึ้ น, นมาพบเหตุการณ์แล้วนั่นแหล ะ, ะตัวนึงถูกกระสุนพี่กลางหัวแหว่งไปครึ่งนึงแต่เดินหนีหายไปได้อีกตัวนึง พี่ใหญ่ยิงคอหักพับข้อเท้าแตกกองให้เห็นอยู่ซึ่งตอนนี้เจ้าด้วนของเราก็ฉีกมันออกเป็นชิ้นๆอยู่นอนแล้วตอนนั้นน้อยยังไม่ต้องการที่จะเหตุการณ์มันอึกระเริกเกิดขึ้นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเอายังไงกันแน่กับเราก็เดินเข้าไปใกล้มันมันก็ถอยหนีทั้งสองตัวพอหยุดมันก็ยืนหรือลงนั่งเฉยๆปีกป้วนเปียนป้วนเปียนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละที่ตอนนั้นก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกัน ที่ขนาดนั้นเป็นโอกาสอันดีเลิศของมันที่จะคยุ่มคอพวกเราพวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดให้ตายไปได้แล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเข้ามาเหมือนจะคุมเชิงยึดครองสถานที่อยู่เฉยๆงั้นแหละแลวดูมันก็ไม่แคร์ในการที่น้อยตื่นขึ้นมาเผชิญพบเห็นกับมันตามลำพังคนเดียวส่วนน้อยก็ไม่แคร์เหมือนกันเพราะแน่ใจว่ามีดีถึงยังไงมันก็ทาอะไรน้อยไม่ได้ หล่อนเล่าต่อไปว่าบุคคลสําคัญที่สุดที่หล่อนสงสัยว่าไปอยู่เสะที่ไหนแล้วตกอยู่ในภาวะใดาก็คือหนานอินผู้ก็ถือว่าเป็นพรานครูผู้เรีองวิชาคนหนึ่งเหตุใดจึงเงียบกริบบ่อยให้เกิดเรื่องวิกลวิการเช่นนี้ขึ้นได้ทั้งทั้งที่สั่งให้ระวังเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มอัตราศึกแล้วเมื่อตอนจะแยกย้ายกันไปนอนหล่อนจึงยังไม่สนใจไม่สนใจกับไอ้ผีดิบสองตัวนั้นก่อน ออกเดินฉายไฟส่องหาหนางอินและในที่สุดก็พบครูพรานผู้เฒ่านอนอยู่ตามลำพังเดียวได้หันหัวออกดักปากทางด่านด้านหนึ่งหันปลายเท้าเข้ามายังบริเวณแคมป์สภาพที่น้อยมองเห็นลุงอินในขณะนั้นมันประหลาดที่สุดแกนอนลืมตาโพลงแสดงว่าตื่นอยู่และก็มีอาการไหวตัวกระดุบกระดิ เหมือนจะลุกขึ้นมาอย่างนั้นแหละแต่ก็คล้ายๆคนเป็นอัมาพาตเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนจะมีอำนาจอะไรที่มองไม่เห็นมากดทับไว้อึกอึกอักอักอยู่ในลำคอพูดไม่ออกและดูแล้วก็ไม่เห็นว่าแกจะได้รับบาดเจ็บหรือมีร่างกายส่วนใดชารุดพิการไปแต่แล้วก่อนที่น้อยจะก้มลงไปปลูกเรียกแกนั่นแหละก็มองเห็นร่างสูงใหญ่ขนาดเกือบเจ็ฟุตยืนทมึออยู่ทางด้านหัวของลุงอิน ห่างออกไปประมาณสักสาเกเห็นจะได้มันยืนสะกดลุงอินไว้และเมื่อน้อยเดินเข้ามาหาลุงอินก็เผชิญหน้ากับมันซึ่งดูเหมือนจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วพอดีเล่ามาถึงตอนนี้ดารินชะ ง, งักไปนิดหนึ่งหล่อนจะบอกพี่ชายทั้งสองและเพื่อนกับคณะพักทุกคนดีหรือไม่ว่าในกา ร, รเผชิญหน้ากับจอมผีดิษมันใจผู้อมตะในซากใหม่ของมันนั้น ได้มีการเจราจาตอบโต้กันเช่นไรความลีรับมหัศจรรย์นในบรรพชาติของหล่อนเองที่มันไรอ้อางและมาทวงถามสัญญาโดยบอกว่าหล่อนคือจิตรางขนางเทวีเป็นเชษฐภัก ค, คินีของพันธุมวดีซึ่งหล่อนและพรรคพวกได้มาปลดปล่อยให้พ้นคำสาปของมันไปในชาตินี้แล้วก็ปลรินใจไม่บอกความจริงนี้ซะเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวของหลอนเองก่อนดีกว่า มิฉะนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นอีกมากมายแก่คนเหล่านี้จึงเว้นเหตุการณ์ระหว่างการเจรจาโต้อตอบหรือฟื้นความหลังเมื่อหลายกัดหลายกันมาแล้วระหว่างตัวหล่อนเองจิตร่างขณะงและราชปุโรหิตมันไรซะซึ่งมันเกี่ยวโยงไปถึงระพินไทวันหรือกษัตริย์อัคคนิรุตในครั้งกระโนดด้วยเมื่อตัดข้อความตอนนั้นออกไปเสียสิ่งที่หล่อนจะบอกเล่าสวมแทนเหตุการณ์นั้นก็คือ บรรยายถึงลักษณะซากไงของมันไรซึ่งประกาศตัวอย่างชัดเจนว่ามันได้หวนกลับคืนมาอีกด้วยพร้อมที่จะจองล้างจองผลาญคณะเดินทางจากแรงผูกพยาบาทในการพ่ายแพ้ในครั้งก่อนและประสงค์ที่จะยึดเอาตัวหล่อนไปขณะนั้นตัวหล่อนเองก็ตะลึงจังงางทำอะไรไม่ถูกกระหนึ่งถูกอำนาจลี้ลับตรึงไว้เช่นกันภาษาที่มันส่งความบอกหล่อนเป็นภาษาแห่งกระแสจิต ซึ่งรู้เรื่องและเข้าใจได้ตลอดระหว่างลืมตัวไปชั่วขณะนั้นสติกลับคืนมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงไรเฟิลอนแผลดูใกล้ๆตัวพร้อมกับเสียงร้องตะโกนของหนานอินจากนั้นก็รู้สึกว่าตนเองถูกหนานอินกระชากเซไปทางหนึ่งและได้เห็นหนานอินยิงออกไปอีกถึงสองนัดซ้อนมันไตรถอยกลับเข้าเงาหินหายไปและจากเสียงปืนนั่นเอง เป็นการปลุกทุกคนในแคมป์ที่นอนสลบทะไลยอยู่ให้ตื่นขึ้นก็นี่แหละคะ่ะที่น้อยเผชิญอยู่คนเดียวระหว่างที่พวกเราทุกคนนอนหลับอยู่ก่อนหน้าจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดฉากยิงกันสนันวันไหวไปยังผีดิบบริวารของมันสองตัวนะั่นหล่อนสรุปท้ายในคําบอกล่าอ่ะคราวนี้ก็ทางด้านลุงอินมั่งะ ชา ย, ยันหันไปถามครูพรานอนุชาเทบรันดีให้แกเต็มฝากระติกอย่างรู้ใจส่งไปให้พรานคู่ชีพรับไปกรอกรวดเดียวหมดแล้วถอนใจขื้นนายนานอินรู้สึกตัวมานานแล้วตั้งแต่อายสองตัวเข้ามาเดินเกะ ก, กะอยู่ในบางพักแต่ตอนนั้นน่ะนานอินลุกไม่ขึ้นขยับตัวไม่ได้ มันเหมือนกับมีอะไรมากดทับไว้แล้วหนานอินก็เห็นด้วยว่ามีอะไรมายืนค้างสะ ก, กดอยู่ทางด้านหัวนอนของหนานอินไอ้ตัวนั้นอนะรูปร่างใหญ่มากแล้วก็เต็มไปมด้วยอานลาดัดมายืนคุ้งหัวหนานอินอยู่เฉยๆสักพักใหญ่ๆหนานอินก็เห็นนายหญิงลุกขึ้นมาจากเพิงนอนนี่เดินออกไปตรวจบริเวณอจะร้องเรียก จะให้เสียงก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้มันหายไปไหนหมดจะท่องมนต์คาถาหัวมันก็มึนตืละเลอะเลือนเลือนลืมไปสมดผีอ้ำยังไงก็อย่างงั้นแหละนายก็เห็นเห็นอยู่แต่กระดิกตัวไม่ได้เลยเหมือนจะมีอะไรมายึดขึงไว้นานอินะเห็นหนายหญิงเดินตรงมาที่นานอินนอนอยู่แล้วก็ไปยืนจังงานประจันหน้าอยู่กับไอ้สองตัว แต่งตัวเหมือนทหารโบราณในนิทานไอ้ที่ยืนทํามหัวนันอินอยู่เห็นยืนมองกันอยู่ตั้งนานทีเดียวห่างกันแค่สักสามวัยจะได้ตัวนันอินเองก็นอนหงายมองดูอยู่ลักษณะของนายหญิงที่นานอินเห็นก็เหมือนก็ถูกมนต์สะกดเช่นกันในตอนนั้นได้ได้ยินเสียงนายหญิงพูดกัไอ้ตัวใหญ่นั่นบ้างไหมเชิาถาม ครูพรานสั่นหัวตอนนั้นอะหูของหนานอินก็เปิดอยู่ตลอดเวลานายแต่ไม่ได้ยินเสียงนายหญิงหรือไอผีดิบตัวใหญ่นะพูดอะไรหรอกก็เห็นยืนมองกันอยู่เฉยเฉยแล้วมันก็ค่อยคอยเดินเข้ามาใกล้นายหญิงตอนนั้นอะหนานอินตะโกนบอกให้นายหญิงถอยหนีไปโดยเร็วตะโกนบอกให้หิงแต่เสียงหนานอินก็ไม่รู้มันหายไปไหนหมด พยายามดิ่งจนสุดแรงคลุกคลุกกกลักอยู่คนเดียวพอดีนายหญิงปล่อยปืนที่ถืออยู่ให้ร่วงหลุดจากมืออีพานท้ายมันหล่นมากระแทกอกนันอินพอดีนันอินก็เลยขยับตัวขึ้นมาได้ตะครุบปืนของนายหญิงพลิกตัวตะแคงเห็นนายหญิงกำลังจะถอดพระที่เสื้อออกก็เลยร้องตะโกนออกไปได้ว่านายหญิงอย่าถอดพระก็ตอนนี้แหละที่เสียงนานอินดังลั่นออกไปได้ แล้วกเนียวไกตูมเอาเปืนของนายหญิงติดลิงลยนลงมานั่นแหละยิงมันนั้นยิงยิงถูกแน่แต่มันไม่ลมันถอยหลังนั้ น, นิงก็เลยกระโดดลุกขึ้นมากระชากนาั้นนายหญิงที่ยังยืนนิ่งอยู่เซไปแล้วก็ัดมันไปอีกอตูมเห็นมันถอยหลังหายกัไปในเงามือของหมูหินนวลก็อกตอนนี้แหละที่พวกเจ้านายทุกคนตื่นขึ้นมานหญิงจึงตะโกนบอกให้รู้ ว่ามีพวกมันอีสองตัวเข้ามาเดินอยู่ในที่พักของเราแล้วแล้วก็ถุดนายหญิงให้แลนออกมาจากตรงนั้นเอาละเอาละตอนนี้เหตุการณ์ก็ประสานกันได้แล้วพรานชดหรืออนุชากล่าวขึ้นกับทุกคนเป็นนั้นว่าพวกเราทุกคนถูกสะกดหลับไหลไปหมดลุงอินเองก็ถูกสะกดอยู่แต่ก็ยังพอรู้สึกตัวถ้าว่าก็ทำอะไรไม่ได้ไปชั่วขนา ก็มีน้อยคนเดียวที่อยู่นอกเหนือมนสะกดบังคับทั้งปวงของพวกมันลุกขึ้นมาเห็นความผิดปกติของแคมป์เห็นไอ้อมนุษย์สองตอนนั่นแล้วก็เดินไปพบอมันไรที่ยืนคุมลุงอินอยู่ก่อนแล้วแต่พอพเผชิญหน้ากันใกล้ๆตนเองก็จังงังไปเหมือนกันพอดีลุงอินขยับตัวได้อันเนื่องมาจากน้อยทิ้งไรเฟิลลงไปกระทบอกจึงฉวยปืนเปิดฉากยิงขึ้นเป็นคนแรก อย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องตามที่นายชดบอกนั่นแหละครูพรานยอมรับแล้วพวกเราทั้งหมดก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงปืนนัดแรกของลุงอินที่ยิงไอ้มันไตรนั่นแหละช ย, ยันหาข้อสรุปออกมาได้มีอะไรมากไปกว่าที่เธอและลุงอินเล่ามาแล้วอีกมั่งไหมน้อยเชษฐาพยายามแสวงหารายละเอียดต่อไป ก็อืมก็น้องสาวอึกอักก็ก็เห็นอย่างที่ล uhm, ุงอินบอกมาแล้วนั level, ่นแหละค่ะแต่น้อยแปลกใจอยู ank, ่อย่างเดียวอ่ะน้อยว่าน้อยได้พูดกับเจ้ามันไตรในซาคของนักรบโบราณนั่นหลายประโยคทีเดียวนะลุงอินไม่ได้ยินบ้างเลยเหรอลุงได้ยินเสียงของฉันหรือเสียงของมันบ้างไหยตอนนั้นไม่ได้ยินเลยเหรอประโยคหลังหลอนหันไปเน้นถามหนานอิน งานอาวโุโสแห่งลุ่มสารวินนายนินสันหัวนายหญิงนานอิ่ไม่ได้ยินเสียงนายหญิงหรือไอ้ผีดิบนะพูดอะไรกันแม้แต่คําเดียวไม่ได้ยินจริงๆก็นอนตาเลือกเห็นแล้วก็ฟังอยู่เห็นแต่นายหญิงขยับจะถอดพระเครื่องที่แขวนคออยู่ออกอีตอนที่มันเดินเข้ามาเกือบชิดอีตอนนั้นนขืนถอดออกมันก็คว้าตัวได้เท่านั้นเอง ดารินมีสีหน้างงจักหลอนรู้สึกตัวว่าขณะนั้นหลอนได้ออกเสียงเปล่งเป็นคำพูดผ่านริมฝีปากออกมาแต่เหตุใดนันอินจึงบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอะก็แปลกนะฉันว่าฉันพูดนะพูดอยู่กับมันพักใหญ่ๆทีเดียวละ่ะไม่ได้ยินนายหญิงพูดอะไรสักคำเห็นได้ยืนจ้องกับมันเฉยๆอะ ครูพ่านยืนยันอ่ะเธอว่าเธอพูดแล้วเธอพูดอะไรกับมันน้อยชายันถามดารินบดริมฝีปากตัวเองแน่นหัวคิ้วขมวดเกือบชิดกันหรือว่าในภาวะนั้นลนตกอยู่ภายในแดนสนธยาในห่วงอำนาจจิตอันลกล้าแข็งเต็มไปด้วยมหิดที่อำนาจของมัน จนทำให้ตัวเองเข้าใจว่าได้เปล่งเสียงพูดโตอตอกบกำมันออกไปอาจเป็นไปได้เหมือนกันที่ขณะยืนเผชิญหน้ากำมันอยู่นั้น <c oughs> ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ใช้วาจาที่ผ่านลิ้นหรือริมฝีปากและเสียงใดๆที่เปล่งออกมาจากลําคอเลยแต่เป็นการพูดด้วยกระแสจิตอย่างในความฝันราชสกุลสาวพึมรมออกมาเหมือนจะรำพึงกับตนเอง แล้วหล่อนก็สะบัดหน้าอย่างขับไล่ความมึนงงเอ่ยเป็นปกติเพื่อตักปัญหาวะ่ะเอาละน่าจะเชื่อได้ว่าฉันถูกมนต์สะกดของมันเข้าด้วยเหมือนกันในขณะนั้นและไม่ได้เอ่ยเป็นคำพูดใดๆกับมันทางวาจาเลยเพราะ ม, มิฉะนั้นลุงอินก็คงจะได้ยินเพราะแกก็ยืนยันอยู่และฉันก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าฉันกาลังจะถอดพระเครื่องที่แขวนคอออก ก็เพิ่งจะมารู้เอาตอนที่ลุงอินบอกเดี๋ยวนี้แหละแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมันคือดวงจิตวิญญาณของมันไรคนเดิมนั่นแหละแต่กลับมาสิงสู่อยู่ในซากใหม่อีกซากหนึง่งแล้วก็ตามมาเพื่อจองเวรเราทุกคนที่เคยร่วมกันบุกเข้าไปถึงนิทรานครทำลายล้างอาถรรพ์ของมันในครั้งนั้นเหนือกว่าทุกคนมันอาฆาตมากร้ายไปถึงระพินมากกว่าใครทั้งสิน้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่า ปานนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างขนาดพวกเราเนะี่ยยังโดนดีถึงเพียงนี้ประโยคหลังหล่อนกายสั่นเทาบังเกิดความสะทุกสะเทือนประวัตใจขึ้นมาอย่างฉับพลันทุกคนนิ่งกันไปชั่วขณะและหนานอินผู้ดูเหมือนจะรู้จักกระพินไพรวันมาก ก, กว่าใครก็เอ่ยขึ้นเสียงต่ำๆว่าไหนหญิง รายนั้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะตัวแกน่ะไม่มีสิงสาราสัตว์หรือพูดผีปีศาจมนกาลีอาถรรพ์ใดๆทําอะไรแกได้ทั้งนั้นแหละแต่จะห่วงก็เรื่องโครคภัยไข้เจ็บประจำตัวเท่านั้นนายรพินน่ะดูผาาผาดว่าเป็นคนแข็งแรงแต่โดยจริงแล้วแกก็มีจุดอ่อนสุดแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ใช่ลุงข้อนี้ฉันรู้ดีแล้วข้อนี้นะ่ที่ฉันห่วงแสนมห่วงถ้าเหตุการณ์มุ่งร้ายของมันเกิดขึ้นหรือชวยโอกาสเกิดขึ้นในขณะที่เขาเจ็บค่าได้ป่วยเขาจะเสียทีมันอย่างหมดประตูสู้ทีเดียวต่อให้เก่งสักขนาดไหนหรือเป็นสิทธิ์มีครูสักเพียงไหนก็ตามคณะนายจ้างมริกันชุดนั้น ความจริงก็มีแพทย์มือดีติดไปด้วยนะคืออิสเบลมูหมอเบนคงไม่ปล่อยให้พรานนำทางอันเป็นเจ้าตัวจับกลนสำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ต้องเพลี่ยงพร้ำในด้านสุขภาพรเพราะมันหมายถึงสวัสดิภาพของพวกเขาด้วยคือละพินเป็นอะไรไปคนเดียวพวกเขาก็พังทั้งหมดเหมือนกันคิดถึงความจริงในข้อนี้แล้วพี่วัตถุควรจะเบาใจได้นะน้อย พี่ชายกลางปลอดดารินนิ่งซึมไปอีกฮึคณะของระพินจะโดนอย่างพวกเรานี่บ้างแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะในการที่เขาก็ผ่านเส้นทางนี้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วชายันเอ่ยขึ้นลอยลอยเริ่มกังวลใจเช่นกันก็ตามแกะรอยไปทุกระยะและหลักฐานมันก็ชี้บอกเองอะว่าคณะของระพินจะเจอเข้าบ้างหรือไม่ ถ้าเจอจะเจอลักษณะไหนเชษฐากล่าวเรียบๆตอนนี้อย่าเพิ่งไปห่วงพวกเขาก่อนเลยห่วงแล้วก็เตรียมระวังพวกเรานนิดีกว่าแต่พฤติการมันบ่งชี้ชัดว่ามันเอาเราแน่แล้วร้กาดดุเดือดกว่าสมัยก่อนซะอีกขอความมั่นใจสักนิดในฐานะที่ก็หัวหัวเห็ดมาแล้วทั้งสองคนกลาง เธอกับลุงอินพอรับมือไหวไหมเรื่องเนี้โดยไม่มีการลังเลหรือต้องหันไปหารือกันหนานอินเลยอนุชาวราริษอดีตนักเดินป่าผู้โชคโชนบอกกับทุกคนขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความเชื่อมัน่นและไม่สะทกสะท้านใดๆว่าพี่ใหญ่ครับถึงผมไม่ใช่รับพินผมก็ผ่านเทือกพระศิวะมาแล้วและแม้ว่าในคณะของเรานี่จะไม่มีแง่ใส แต่คนที่เคยช่วยชีวิตและเลี้ยงแงซายมาตัเล็กจนกระทั่งนำไปมอบต่อให้แก่พระธุดงก็ยังอยู่ด้วยทั้งคนคือหนานอินยิ่งกว่านั้นผมและหนานอินก็ยังมีทั้งพี่ใหญ่ชยันแล้วก็น้อยผู้ซึ่งเคยผ่านปะจนกระสิ่งลี้ลับชนิดนี้มาก่อนแล้วรวมทั้งกยินด้วยที่จะคอยช่วยชี้แนะบอกเลสไนต่างๆให้ผมจึงแน่ใจว่าคณะของเราที่มาด้วยกันนี่ โดยเฉพาะหกคนคือตัวผมเองพี่ใหญ่ชายันน้อยหนานอินแล้วก็ขยินจะไม่ยิ่งยอ้อนไปกว่าคณะของรพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเลยเพราะฉะนั้นต่อให้มันมาร้ายสักขนาดไหนเราต้องรับมันไหวสิครับมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าอย่าทิ้งให้เป็นหน้าที่ของผมกับหนานอินตามลำพังทุกคนต้องช่วยผมด้วยในการให้ข้อมูล แล้วก็ช่วยกันวินิจฉัยตัดสินใจด้วยครับเอาตกลงถ้างั้นเราอุ่นใจได้แล้วพี่ใหญ่ของคณะก็บังเกิดความเชื่อมั่นขึ้นเช่นกันแล้วหันไปทางดารินกะชยยยัยันถามยิมยิ้มว่าสองคนเนี่ยรู้สึกเป็นไงมั่งโอ้ยสบายมากสำหรับฉันน่ะขนาดตัดสินใจทิ้งลูกทิ้งเมียมาด้วยแบบนี้มันก็แปลชัดอยู่แล้วนี่ว่าฉันไม่ใครอะไรสักอย่าง กลางพู้ถูกแล้วเราทั้งหมดจะต้องช่วยกันในคณะของเราก็มีครบหมดแล้วนี่พรา น, นําทางผู้ยิ่งใหญ่คือกลางครูพรานผู้จะประชิญกมลมืดอาถรรพ์ต่างๆคือหนานอินเสนาธิการผู้รอบคอบวางแผนดีคือแกผู้มียาณวิถีเป็นพิเศษสามารถรู้อะไรต่างๆได้โดยประสาทส่วนที่6คือน้อยผู้มีฝีมือและชํานาญในวิชาโดยเฉพาะคือขยิน ส่วนฉันเองยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรพิเศษแต่มีสัญชาตะยานร่วมคือถึงไหนถึงกันเอาด้วยทั้งนั้นไม่ว่าแบบไหนเมื่อครบองค์ประกอบทั้งหหลักเช่นนี้เราจะพ่ายแพ้ต่มันไ้มันรู้ไปเหตุการณ์ผ่านพ้นมาหยกหยกนี่มันก็พิสูจน์ได้ว่าเราทั้งหกคนประสานงานกันได้อย่างดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นทุกคนใช้ความสามารถความถนัดพิเศษเฉพาะตัว เข้าช่วยกันคนละไม้คนละมือผลก็คือพวกมันแตกพ่ายไปยับเยินแล้วพวกเราก็ไม่เป็นอะไรกันเลยอืมดีดี ด, ดีเป็นคำพูดที่ดีมากเจ้าชายยันแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับพวกเรากันเองโดยวางรากฐานอยู่บนเหตุผลนี่ถ้าแกไม่หยิบยกขึ้นมาพูดเราก็อาจจะมองข้ามไปซ ะ, ะน้อยละว่าไงเห็นนั่งหนิ่งไป ราชสกุลสาวผู้มุ่งมาตามรักสูดลมหายใจลึกบัดนี้หล่อนไม่ประวันท่านพึงใดๆอีกแล้วและเริ่มจะวางแผนคร่าวๆอยู่ในใจคนเดียวอันไม่อาจจะเปิดเผยออกไปกับคณะพักได้พี่ไอ่คะโปรดอย่าห่วงในด้านกําลังใจหรือขวัญของน้อยเลยคะ่ะการเดินทางครั้งนี้น้อยเป็นน้อยคนละคนกับสมัยที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วคะ่ะ แล้วหล่อนก็หัวเราะออกมาเบาๆเอ่ยว่าครั้งนั้นน่ะเวลาใดเวลาหนึ่งที่พวกเรากำลังท้อแท้สิ้นหวังกันอย่างเต็มที่ถ้าน้อยจำไม่ผิดรพินเคยพูดว่าเขาจะไม่ถอยหลังกลับเลยถ้าตามไม่พบพี่กลางและลุงอินแม้จะพบแต่ศพหรือตำแหน่งที่เสียชีวิตก็ยังดีค่ะมาคราวนี้ น้อยก็จะขอประกาศเหมือนกันว่าน้อยจะไม่มีวันหันกลับหลังเลยถ้าไม่พบระพินหรือซากของเขาความรักบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เปลี่ยนหญิงสาวผิวบางผู้มีจิตใจอันอ่อนไหวที่สุดให้กลายมาเป็นหญิงสาวผู้เหี้ยมหานทรหดบึกบึนชนิดสู้ใจขาดดินต่อไปเห็นความตายรออยู่เบื้องหน้า อีกสามชายอันเกี่ยวข้องเป็นพี่และเพื่อนงันไปชั่วขณะและไม่อาจพอที่จะเอ่ยติงใดๆขึ้นได้ทั้งสิ้นเพราะรู้ว่าน้องสาวพูดออกมาจากแก่นลึกของหัวใจอ่ะขยินนะเจ้ากลัวไหมที่สุดเชื่าก็หันไปย่างหางเสียงขยินเป็นคนสุดท้ายนายใหญ่ขยินกลัว แค่ยินสู้เป็นคำตอบที่ง่ายงายสั้นสนัแต่มีความหมายเบ็ดเสร็จอยู่ในประโยคด้วนด่วนห้วนห้วนของมันเออกลัวแล้วสู้ก็ยังดีกว่ากลัวแล้วหนีวะอนุชาตบไหลมันหนักหนักพูดสั้นสั้นเหมือนกันแล้วเชฐาในฐานะหัวหน้าคณะก็พูดประกาศไปยังพวกลูกหาบทั้งหลาย ที่นั่งรายล้อมกันเป็นวงกลมอยู่กล่าวในลักษณะปลอบขวัญตลอดจนขอฟังความเห็นท่าทีว่าใครมีความรู้สึกประการใดบ้างโดยยืนยันว่าแม้จะไม่มีระพิน์ไพวันอยู่นะักที่นี้ด้วยก็ยังมีพรนชดและหนานอินอันเป็นหลักประกันที่ไว้วางใจได้มากที่สุดการเดินจะรุดหน้าต่อไปโดยไม่ยอมให้สิ่งใดมาทําให้สะดุดชะงักได้และขอแรงขอกําลังร่วม ในการประเชิญหน้าสู้กับมหานตภัยในทุกรูปแบบซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายนายจ้างจะเป็นฝ่ายนำหน้าขอยอมตายก่อนหลักการพูดของอดีต ท, ท่านทูตทหารบกดีเยี่ยมสั้นๆแต่ได้ใจความชัดเจนในด้านความหมายปลุกปลอบใจอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับ ว, ว่าทุกคนที่มา ล้วนเป็นลูกบ้านหนองน้ําแห้งซึ่งมีความรักและเป็นห่วงจอมพรานอันเปรียบเสมือนบิดาของทุกคนอยู่ก่อนแล้วปรารถนาตรงกันที่จะไปตามพรานใหญ่ระพินของเขาด้วยความสมัครใจจงรักภักดีมากกว่าจะหวังในค่าจ้างแรงงานดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนไม่มีอาการลังเลต่างโหร้องแกว้งปืนขึ้นเหนือศีรษะราวกับนัก กันไวเดินต่อไปนายใหญ่เดินหน้าต่อไปเราจะตามนายรพินกลับไปได้อะไรมันขวางนะรับกบมันรับกบมันคนเหล่านั้นตะโกนก้องเชิฐาและฝ่ายนายจ้างทุกคนยิ้มออกมาได้อย่างแช่มชื่นโดยเฉพาะดาริน หลอนมองไปยังลูกหาบเหล่านั้นด้วยตาเป็นประกายรักใคร่ไว้วางใจทั้งสิบคนพวกนั้นขวัญและกําลังใจดีเยี่ยมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเพราะแม้จะดูว่าน่าสะเพรือซักเพียงใดก็ตามก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตและเอาชนะต่อเหตุการณ์ได้โดยไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแล้วนายชวนอันเป็นชายวัยสสิเศษหัวหน้าคณะลูกหาบชุดนี้ ซึ่งฉลาดกว่าทุกคนและดูเหมือนจะรู้ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างเจ้านายของตนกับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์เป็นอย่างดีก็ร้องถามขึ้นดังๆแทนลูกหาบทุกคนว่าไหนหญิงครับพวกเราอยากรู้ว่าถ้าตามตัวนายราพิน์กลับมาได้พวกเจ้านายทั้งหลายจะยอมให้นายราพินอยู่กับพวกเราที่หนองน้ําแห้งต่อไปหรือจะเอาตัวไปไหนครับ เป็นคำถามที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนไม่คาดฝันมาก่อนเลยแล้วคิดไม่ถึงว่าจะโดนข้อปุจฉาเช่นนั้นมันหมายถึงว่าทุกคนเหล่านั้นต้องการรับพิงอย่างแท้จริงและต้องการให้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในฐานะในบ้านที่ไม่จำเป็นจะต้องมีใครแต่งตั้งให้พวกเขาตลอดไปเษฐาชัยยันและอนุชาอต่างมองไปยังดาริงเป็นตาเดียว ราชสักุลสาวก็ยืนขึ้นในบัตรนั้นประกาศขึ้นด้วยเสียงอันชัดเจนช่ำมช้าได้ยินไปทั่วทุกคนว่าพี่น้องทุกคนถ้าแม้ว่ารพินไรวันกลับคืนมาจะไม่มีใครเอาตัวเขาไปไหนเลยเขาจะอยู่กับพวกเธอที่หนองน้ำแหงตลอดไปและไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นฉันนายหญิงดารินคนนี้ ก็จะขออยู่กับพวกเธอที่หนองน้ำแห้งนั่นด้วยมีใครรังเกียจฉันบ้างไหมเสียงโห่ร้องคราวนี้สันนันวันไหวอื้ออึงไปหมดทุกคนตะโกนต้อนรับหลอนแซ่เป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วนายชวนก็ร้องออกมาว่าถ้าฉะนั้นพวกเราทั้งสิบคนที่มานี่ก็ยอมตายแล้วเพื่อนายระพินและนายหญิงดารินดารินโบกมือให้กับทุกคน ท่ามกลางเสียงโหนั้นน้ำตาของหล่อนคลอซึมด้วยความปิติดื้นตังใจบัดนี้หลอนแน่ใจแล้วว่าการติดตามประพินไัยวันครั้งนี้อยู่บนฐานของความสนับสนุนและความจงรักซื่อสัตย์ขีดสุดไม่มีอะไรที่หล่อนจะต้องห่วงอีกหลายคนเพ่นขึ้นมากระโดดโลดเต้นต่อคําประกาศทันแสนจะถูกใจของหล่อน และหลายคนก็ยิงปืนป้องเป้งป้งเป้ปงปดังสนั่นวันไหวขึ้นท้องฟ้านี่ต้นครับฝ่ายนายจ้างปล่อยให้พวกนั้นแสดงความยินดีกันอย่างเต็มที่โดยไม่กล่าวอะไรทั้งสิน้นแม้ว่าพวกนั้นจะยิงปืนกันสนั่นวันไหวแค่ไหนก็ตามเป็นเึงว่าปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาได้ผลแล้วอย่างเต็มที่ไม่ต้องวงกังวลต่อไป ว่าพวกนี้จะละทิ้งผลักนีเส้นบางทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นที่พิสูจน์ชัดว่ารพินไพรวันเป็นมิ่งขวัญของพวกเขาเพียงไหนขอให้พวกนั้นแสดงความยินดีปรีดากันอยู่พักใหญ่และเชตาก็สั่งให้นอนพักเอาแรงทันดีเพราะอย่างน้อยกว่าตะวันจะขึ้นก็อีกสองสามชั่วโมงโดยรับรองว่าก่อนสว่างในคืนนี้ จะไม่เกิดเหตุร้ายใดๆซ้ำสองขึ้นขอให้ทุกคนวางใจได้และหลับกันให้สบายโดยไม่จำเป็นจะต้องมีเวรยามใดๆทั้งสิ้นพวกนั้นจึงแยกย้ายกันออกไปท่ามกลางซาก ข, ของช้างที่ถูกยิงล้มอยู่พเนินเทินทึกรอบด้านไปหมดขยินก็ได้รับอนุญาตให้นอนพักด้วยเพราะจะให้นั่งร่วมหาหรืออะไรกันอยู่ต่อไปขณะนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะัก เนื่องจากขยิน ฟ, ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องต้องขอให้อนาชาหรือนันอินเป็นล่ามครั้นจะคุยกันต่อไปเป็นภาษาเกรียงเชษฐาดารินชยันก็ไม่คล่องนักนอกจากประโยคคำพูดพื้นพื้นง่ายๆหรือสั้นๆและขยินก็ไม่ไปไหนลงนอนคู่ตัวอยู่ทางด้านปลายเท้าของที่นอนฝ่ายนายจ้างนั่นเองจึงเหลือเพียงนันอินคนเดียวกับกลุ่มของเจ้านาย ระหว่างที่อนุชาขอทราบเรื่องราวความเป็นไปแห่งนิทรานครเมืองอาถันและราชปุโรหิตมันไรโดยขอให้อธิบายละเอียดอีกครั้งซึ่งเชฐาเป็นผู้เล่าให้ฟังทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้ทั้งสองได้พิจารณาชายันก็หันมากระซิบกับดาลินว่านี่น้อยถึงแม้จะเป็นจิตวิทยาที่ดีก็าตามแต่เธออย่าลืมนะ ว่าเธอได้พูดรับปากเหมือนให้สัจจะกับพวกนั้นไวแล้วว่ายังไงฉันไม่ลืมหรอกแล้วก็ถือว่าเป็นสัตจจกด้วยในการตามระพินครั้งนี้ไม่เพียงแต่ประกาศกับพวกนั้นเท่านั้นนะฉันตั้งใจจะประกาศเป็นสัตจจกต่อเท พ, พ ย, ยดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทพอากาศเสเทพทั้งหลายด้วยนี่ถ้าได้ตัวระพินกลับคืนมาเธอจะมาอยู่กับเขาที่นี่เหรอ น้อยแน่นอน่อาเน้นเสียงอย่างหนักแน่นก็ไม่ใช่เพราะฉันทอดทิ้งเขาไปหรอกเหตุการณ์เช่นนี้มันถึงได้เกิดขึ้นถ้าสิ่งชาติวาสนาจะไม่พบกันอีกแล้วก็แล้วไปเพราะไม่มีใครสามารถฝืนกรรมลิขิตได้แต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงและมองเห็นในแก่นแท้จริงใจของฉันที่มีต่อเขาซึ่งตลอดเวลาเขาเองก็ไม่เคยเชื่อถือฉันนัก ฉันก็จะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นสักทีเธอแน่ใจเหรอน้อยฉันน่ะให้สัตว์จากไปแล้วเป็นการขอแลกกับสิ่งที่ฉันปรารถนาถ้าฉันไม่มีความจริงใจต่อสัตว์จากที่ประกาศออกไปก็ขอให้ฉันมีอันเป็นไปเหอะกล้าแลกถึงขนาดนี้ล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คืนรับพินไหมฉันในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สุดแล้วแต่ถือว่าเป็นกรรมเก่าของฉันเอง ชีวิตก็ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วจะตายที่ไหนตายเมื่อไรได้ทั้งนั้นคำพูดของดารินเนิบช้าแต่หนักแน่นและหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงจนเพื่อนชายผู้สนิทเหมือนพี่น้องงันไปชั่วขณะมองตาหลอนนิ่งนี่น้อยแต่อย่างนั้นฉันก็ขอยอมรับนับถือในน้ำใจของเธอนะระพินอาจจะเกิดมาอาพับ ที่ผิดหวังและลำบากเหนื่อยยากมาโดยตลอดแต่เขาก็ยังมีคนที่รักเขาจริงแล้วก็ใจเด็กด้วยฉันก็เห็นเหมือนกันว่าถ้าเธอมีเจตนาเช่นนั้นจริงเธอก็ควรจะทาเช่นนั้นเพราะรพินคงจะไม่ละทิ้งถิ่นของเขายอมให้เธออุ้มเขาไปไหนแน่สมมติว่าเราได้ตัวเขากลับคืนมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องเป็นฝ่ายเสียสละมาร่วมชีวิตกับเขาที่นี่ ใช่ชัยันฉันจะต้องเป็นฝ่ายเสียสลับบ้างลสลัความฟุ่มเฟือยหรูหราในสังคมหรือต่อให้ลถฐานันดรสัก์มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาอย่างสามัญธรรมดาที่นี่หล่นคงพูด ช, ช้าๆอยู่เช่นนั้นตามองฝ่าความมืดออกไปยังราวป่าเบื้องนอกฉันรู้ว่าฉันดึงเขาไปไม่ได้แน่ สำหรับผู้ชายจนๆแต่ยิงในตัวเองคนนั้นเพราะฉะนั้นฉันจำเป็นจะต้องเป็นฝ่ายถูกดึงเข้าไปหาเขาฉันมาได้ความคิดนี้ก็ต่อเมื่อถูกนายชวนถามขึ้นตะกี้นี่เองและความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะต้องลำบากยากแค้นอะไรทรัพย์สินเงินทองฉันก็มีอยู่มากมายไก่กองไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน น้องน้ำแห้งยังเป็นชนบทบ้านป่าที่ห่างไกลความเจริญถ้าหากฉันจะใช้เงินเพียงแค่ไม่เกินวงร้อยล้านบาททุ่มลงพัฒนาในหมู่บ้านเล็กๆนั่นอันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยบ้านเกิดของฉันความเจริญมันก็จะเข้ามาเองแล้วอาจจะยกฐานะมาเป็นตำบลหรืออำเภอต่อไปได้อย่างรวดเร็วหากถนนอย่างดีเข้าถึงมีโรงเรียน มีโรงพยาบาลมีเรือนหน่วยราชการเข้าไปตั้งฉันตั้งใจไว้แล้วที่จะพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้ได้รับพินเองก็คงพอใจที่ผู้หญิงคนที่รักเขามาช่วยให้เกิดความเจริญดีงามขึ้นในท้องถิ่นที่เขาบุกเบิกและคิดจะยึดเป็นเรือนตายส่วนทางด้านฉันก็ใช่ว่าจะต้องมาจมตัวดักดานอยู่ในหนองน้ำแห้งนั่นชนิดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันภายนอก ถ้าความเจริญมันเข้ามาถึงถนนหนทางไปมาได้สะดวกขับรถเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงใครจะรู้หนองน้ำแห้งอาจจะกลายเป็นวันอุทยานแห่งชาติที่สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไปข้างหน้าก็ได้รัฐบาลก็คงยินดีปัญหามันจึงมีอยู่แต่ว่าใครจะกล้ามาออกทุนหรือลงทุนให้เท่านั้นก็ชันนี่ไง ดารินวลาริบนี่แหละจะเป็นผู้ลงทุนนี่เองโดยไม่หวังผลประโยชน์ต่อแทนใดๆเลยนอกจากความสุขทางใจของเขาและตัวฉันเองเท่านั้นเขาจะได้เลิกคิดสะทีว่าเขาเป็นคนอาภัพอับประพลูกบ้านบริวารของเขาทั้งหมดก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยชายันเองก็ตื้นตันงง ง, งันไปเพราะคาดคิดไม่ถึงในคาพูดของหลอน ส่งมือให้จับแล้วบีบแน่นเป็นความคิดที่วิเศษสุดแล้วน้อยผลแห่งการตั้งใจอันดีงามของเธอเช่นนี้ฉันเชื่อนะเชื่อแน่ว่าสวรรค์คงจะไม่ทอดทิ้งเธอหรอกและกุศลจิตก็จะสะท้อนไปเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่คนที่เธอรักแล้วก็รักเธอด้วยถ้าเธอตั้งปณิธานในทางกุศลไว้เช่นนี้ฉันเชื่อว่าเธอจะตามเขากลับคืนมาได้แน่แน ดาริงยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจมากเชยันขอบใจในคำอวยพรจากใจจริงของเธอเัยันฉันได้ตั้งสัจจาว้เช่นที่พูดกับเธอจริงๆหรือจะเรียกว่าเป็นการบนบานต่อเทพเจ้าทั้งหลายด้วยที่แล้วมาน่ะฉันอาจจะเห็นแกตัวเกินไปมิฉะนั้นก็มีกรรมมาบาังตาซะทำให้คิดแต่เพียงว่าเมื่อฉันรักเขาและเขารักฉัน ฐานะฉันดีกว่าฉันก็ควรจะเอาตัวเข้าไปซะจากที่นี่ลืมคิดไปว่าเขามาก่อร่างสร้างตัวที่นี่มีหลายชีวิตที่น่าสงสารอยู่ภายใต้ปกครองดูแลของเขาซึ่งเขาจะทอดทิ้งไปได้ยังไงยิ่งคิดไปถึงความเก่าฉันก็ยิ่งมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองตอนที่เรารอดตายจากมรกรโครผ่านเทือกพระศิวะกลับมาได้พร้อมทั้งความสาเร็จ ที่ได้ตัวพิกกลางตักคืนมาโดยความสามารถของเขาหากฉันไม่ถือดีลองใจผละทิ้งเขาไปชั่วคราวโดยตัดสินใจเด็ดขาดนำเงินส่วนตัวออกมาพัฒนาหมู่บ้านหนองน้ำแห้งเหมือนอย่างที่มาคิดได้ภายหลังนี่เสียทันทีเคราะหกรรมแห่งการพัดพลาดชนิดนี้อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้กล่าวมาถึงตอนนี้น้าตาของดารินไหลเป็นทางลงมาตามร่องแก้ม แล้วพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองมนุษย์เรามันมีแต่ความเห็นกับตัวและมิจฉาทิฐิเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นโลกมันถึงได้เต็มไปได้วยความโหดร้ายทารุณบุญมันมีแต่บางทีกรรมมันก็มาบางังเสียแรงที่มีวาสนาดีประเสริฐที่สุดนะโดยการที่ไปเฝ้าอาราหารัน เช่นมหาหรฤาษีโกลธัญะองค์นั้นมาแล้วแต่ฉันก็ยังอุตสาหโง่อยู่อีกเพื่อจะมาคิดตกเอาในคืนนี้เองทั้งสองคุยกันอยู่ตามลำพังด้วยเสียงกระซิบในขณะที่เชษฐาอนุชาและหนานอินก็กําลังหาหรือกันอย่างเคร่งเครียดอยู่อีกด้านหนึ่งนี่น้อยเธอบอกในความคิดของเธอชนิดนี้ กับพี่ชายของเธอทั้งสองคนแล้วหรือยังเนี่ยดารินสัศรีสัตว์ไม่จาเป็นจะต้องบอกเขาก่อนในตอนนี้หรอกชยันฉันมีเงินของฉันเองที่จะใช้ไปทางไหนก็ได้เป็นอิสระภายหลังจากที่เราแบ่งออกจากกองมรดกได้ฉันไม่ได้ไปรบกวนเงินของพี่ใหญ่หรือพี่กลางเขาหนิเธอก็รู้นิเชยันท่านพ่อภายหลังท่านสิ้นแล้ว ท่านทิ้งกองมรดกว่าให้เราพี่น้องสามคนนะ่ะนับเป็นพันล้านกว่าครึ่งฝากอยู่ในธนาคารสวิสส่วนที่เป็นของฉันฉันจะถอนคืนออกมาให้หมดทุ่มลงในแผ่นดินไทยนี่แหละไม่คิดที่จะหนีไปไหนอีกลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สมบัติที่ตระกูลของเรามีมาก็เป็นมรดกตกทอดมาโดยสุจริตชอบธรรมไม่ได้ไปคดโกงประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าขูดรีดใครมา เพราะฉะนั้นเงินของฉันบริสุทธิ์และมีค่าต่อประเทศชาติมากหากจะทุ่มลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเจริญให้แก่นชนบทท้องถิ่นของแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนชายันโอบแขนไปกอดไว้แล้วดึงให้เข้ามาชิดตัวในลักษณะที่นั่งเคียงคู่กันอยู่นั้นดารินเอาหน้าผากพิงกะไลของเพื่อนผู้เปรียบเสมือนพี่น้อย ขออนุโมทนาด้วยนะสำหรับความคิดอันถูกต้องของเธอแต่นี่ก็พูดกันเป็นการส่วนตัวลำพังเราสองคนนะถามจริงอะอะไรที่ทำให้เธอรักกระพินถึงเพียงนี้เอาละยกเว้นนอกเหนือจากความสามารถของเขาที่ไปตามมาตัวนายกลางกลับคืนมาได้ซึ่งพวกเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วทั้งคู่พูดกันเบาที่สุด ชยันฉันไม่สามารถจะระนายออกมาได้หรอกว่าทำไมฉันถึงได้รักเขามากกว่าตัวเองซะอีกนอกจากจะบอกได้อย่างเดียวว่าตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยพบผู้ชายคนไหนที่มีน้ำใจประเสริฐตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีเท่าเขามาก่อนเลยไม่เคยพบจริงๆนะชยันแล้วแกนแทเขาเป็นคนที่น่าสงสารน่าสมเพชที่สุด แม้จะดูผิวนอกว่าเป็นคนยโสโอหังแต่เขาเป็นคนดีนะชยันดีมากๆสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ชื่อสัตว์กระตัญญูกระตาเวทีต่อผู้มีพระคุณมักน้อยถ่อมตนเจียมกายเจียมใจไปสารพัดต้องมองให้ลึกๆแล้วนานๆจึงจะพบคุณธรรมเหล่านี้ของเขาได้ เขาเป็นคนที่มีค่าแห่งความเป็นคนที่สุดไม่ใช่สักว์แต่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนอย่างไอ้พวกากากเดินชิงนรกเกิดทั้งหลายฉั น, นะเริ่มต้นด้วยการเกลียดชังเขาก่อนแล้วก็มองเขาในแง่ลบมาเกือบตลอดเส้นทางเดินที่ไปกับเขาในครั้งนั้นแต่แล้วในที่สุดในที่สุดฉันก็ไผ่แพ้ต่อกุณธรรมความดีของเขา มันก็ประหลาดอยู่นะสำหรับพรานป่าคนนั้นอ่ะถามเป็นแบบคอนฟิดเอนเชียอีกนิดนะน้อยเธอจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ฉันก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งของเธอเหมือนกันไม่ใช่เหมือนพี่ชายอย่างเดียวหรอกชยันเธอน่ะคือเพื่อนตายของฉันด้วยอ่ะอยากถามอะไรก็ถามมา ก็จะถามว่าถามว่ามีอะไรกับเขายังดารินกลั้งกลืนความขมขื่นผิดหวังไว้ในสวง อ, อกหลับตาลงน้ำตายิ่งไหลพรากขาะที่สันศีสับ ช, ะชะ้าช้าชายัเขาไม่ยอมมีกับฉันเอง ทั้งทั้งที่จะมีเขาก็ย่อมทําได้คิดดูเถอะว่าเขาใจเพชรขนาดไหนฉันก็รู้ว่าเขารักและปรารถนาฉันไม่ใช่ไม่ปรารถนาแต่เขาก็ไม่ยอมไม่อํานาจฝ่ายต่างมาทํารอยราคีให้แกับฉันทั้งทั้งที่เราทั้งสองฝ่ายก็จเจริญด้วยกันล้ว ไอ้ความจริงเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องเล็กเหลือเกินถึงพี่ใหญ่หรือพี่กลางก็คงไม่ยอมเชื่อหรอกคงคิดว่าฉันน่ะเป็นพัญยากันแล้วหละ่ะแต่นี่เธอถามตรงๆฉันก็บอกตามตรงเหมือนกันชยันตกเบาๆที่ต้นแขนของหล่อนจากมือที่โอบกอดนั้นอืมฉันเชื่อเธอน้อยฉันเชื่อแลวเพิ่งจะเชื่อในคืนนี้เอง คิดเหมือนกลางและเชิดถานเหมือนกันว่าเธอคงมีอะไรกระพินแล้วแลวนี่ก็อาจเป็นอีกข้อหนึ่งก็ได้นะที่ทำให้เธอประทับใจบูชาเขามากใชยันหลงป่าหลงถ้ำอยู่ด้วยกันในครั้งนั้นก็ยังไม่กระไรนักกอกนะ ไอ้ครั้งล่าสุดก่อนที่เขาจะออกเดินทางเพียงแค่สองสามวันเท่านั้นน่ะฉันเนี่ยฉันเป็นฝ่ายมาหาเขาเองที่หนองน้ำแห้งเรานอนอยู่บนเตียงเดียวกันเหมือนคนที่หันในหมู่นคืนแรกอ่ะแต่ก็ก็ยังไม่ล่วงเกินอะไรฉันเกินขอบเขตเลยโดยอ้างว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันโดยถูกต้องน้ำซ้ำยังตาหนิฉัน ในกอดที่ฉันหนีพี่ชายสองคนมาหาเขาแล้วก็อยู่กับเขาในสภาพอันไม่สมควรเช่นนั้นเพราะฉะนั้นชยันฉันเชื่อคนคนนี้นะเชื่อจนหมดหัวใจเลยว่าเขาจะต้องซื่อสัตย์และรักฉันไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตในขณะเดียวกันเขาก็คงไม่ได้หวังว่าฉันจะรักเขาตลอดไปหรอ ความจริงคืนนั้นมันเป็นโอกาสอันดีงามของเขาเหลือเกินแต่เขาก็ไม่ได้ฉกฉวยอย่างคนเห็นแก่ตัวน้อยแล้วเธอคิดยังไงกับแม่มสาวสองคนที่ติดไปกับคณะนั่นด้วยเอาตัวเธอเองเข้าไปเปรียบเทียบแล้วมั่นใจว่ารพิงจะไม่มีอะไรกับแม่ผมทองแม่ผมแดงนั่นหรอชัยยันถามอย่างอย่างทัศนะความคิดเห็น มากกว่าจะพูดแบบยั่วหรือแซงบีบคั้นดารินสันศรีรษะอีกครั้งนิเชยันฉันบอกเธอหรือพี่ชายของฉันมาหลายครั้งเลยนะว่าฉันไม่กลัวผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นน่ะความรักกับความใคร่หรือการระบายออกตามกฎธรรมชาติของชีววิทยามันไปกันคนละเรื่อง ต่อให้ระพินมีความจำเป็นที่จะต้องระบายออกกับผู้หญิงคนไหนฉันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของเขาหรอกขออย่างเดียวให้เขารักฉันและจะไม่ทำอย่างนั้นเมื่อมีฉันอยู่ด้วยเท่านั้นเป็นพอฉันน่ะไม่ใช่ผู้หญิงหัวโบราณถึงขนาดที่จะต้องใส่กุญแจเขาไว้นี่แต่มันตรงข้างประตูฉันเองในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทย ฉันจะยอมมีความสัมพันธ์ให้กับใครได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าฉันยอมรับเขาเป็นสามีแล้วเท่านั้นแล้วฉันก็รอคอยคอยเขาพูดไปมันก็น่าอายนะดีลวน้อยฉันดีใจนันที่เธอแยกถูกแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเช่นนี้ขอรับรองกับเธออีกคนหนึ่งด้วยว่ารับพินรัก แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเธอคนเดียวแน่ๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไวรอเธอแบบกุลสตรีอายุปัททวัยเหตุในทางเพศมันเกิดขึ้นได้เสมอแ่ะเธอโดยเฉพาะในป่าเปรี่ยวกันดานถ้าเธอทำใจให้ได้อย่างงี้ซะก่อนเธอก็มีความสุขไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรอยู่กับแหม่มสองคนนั่นอีกต่อให้รพินผลอกายไปบ้างในวาระสุดท้าย แม่มทั้งสองคนนั่นก็จะต้องแยกทางไปเองไม่มีพันธะผูกพันอะไรกับเขารแล้วเขาก็จะกลับคืนมาเป็นของเธอเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าเขาไม่ตายซะ ก, ก่อนเพราะฉะนั้นก็เลิกทุกใจได้แล้วนะแม้ว่าบางโอกาสข้างหน้าฉันหรือพี่ชายของเธออาจจะแกล้งกระซ้าเธอบ้างในเรื่องนี้ดารินพยักหน้าฝืนยิน้ม ฉันจะพยายามทำใจให้ได้เชยันแต่ขอเถอะอย่าย้ำหัวตะปูหรือแย่ฉันบ่อยๆแล้วกันบางทีมันก็มีหวั่นไหวไปบ้างยอดชายของฉันเกิดไปมีเยื่อใจติดอ ก, ต, ดอกติดใจแม่ผมแดงหรือผมทองนั่นเขาจริงๆแล้วก็ฉันก็คงจะอกแตกฟรีเซ็กชั่วันนาดไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าให้มีสายใยสืบเนื่องกันก็แล้วกัน มันจะกลายเป็นลูกโซ่ที่แกะไม่หลุดแล้วแล้วอีกตอนนั้นแหละที่ฉันจะทำใจไม่ได้ต่อไปนี่น้อยเธอต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายนะในฐานะที่เธอก็เป็นทั้งแพทย์เรียนสูงมาถึงขนาดนี้แล้วรู้เห็นอะไรต่ออะไรมาก็สารพัดฉันก็เชื่อนะ ว่ารพินจะไม่วิ่งเขาไปหาแหม่มสองคนนั่นก่อนเพราะนิสัยเขาก็ไม่ใช่คนอย่างงั้นแต่ถ้าเผื่อแม่เจ้าประคุณผมทองกับผมแดงเน่ะเป็นฝ่ายตะล่อมดึงดูดลวงหรือล่อดรืยหนักไปกว่านั้นขงมขืนเน่ยรพินก็รพินเอะคงไม่ใช่พระอิทพระปูนไม่ได้หรอกเราต้องมองในมุมกว้างๆไว้จะได้เตรียมใจให้ถูกไม่หวั่นไหวสตุกสะทถน ชัยยันฉันน่ะไม่กลัวแม่ผมแดงอีสเบร์น่ะหรอกนะแต่แต่ฉันระแวงแม่ผมทองหล่อนสารภาพตามตรงอะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้นน่ะน้อยทั้งทั้งที่เห็นแต่เพียงรูปถ่ายเท่านั้นยังไม่ได้พบปากตัวจริงเลยมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะชัยยันอาจจะเป็นซิกเซน หรือสังหรณ์ของฉันก็ได้ขนาดรูปถ่ายมันก็บ่งความหมายลึกเหมือนน้ำนิ่งดูคล้ายๆพวกตะวันออกกลางผสมยุโรปหรืออเมริกันตาจยงกระน้ำพึ่งที่แฝงมีดโกนเอาไวา้สันจมูกบ่งความหมายต้องการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างปากเป็นมุมบางเฉียบสอแววเจ้าอารมณ์และโรแมนติกคริสติน่า กรูปินฮึอย่าไปพูดถึงเลยเอาเป็นว่าดารินวราริศไม่ยั่นกันแล้วกัน